ชีว่าประวัติหลวงปู่ผางปริปุญโนวัดประสิท ธ, ธิธรรมบ้านดงเย็นตําบลดงเย็นอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีมูลเหตุของการออกบวชสภาพชีวิตในสังคมชนบทของไทยเมื่อสมัยก่อนประชาชนส่วนใหญ่จะมีฐานะยากจน อาชีพหลักคือการทำไร่ทำนาและเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเพื่อใช้แรงงานในการประกอบอาชีพซึ่งสภาพท้องถิ่นทุรกันดารมากห่างไกลความเจริญเป็นดโรคภยัยไข้เจ็บหลวงปู่ผางได้เมตตาเล่าให้ลูกศิษย์ฟังว่าเกิดเป็นลูกชาวไร่ชาวนาลำบากมากตื่นขึ้นมา ชีวิตก็วนเวียนอยู่กับการทำไร่ทำนาอยู่อย่างนี้ไม่มีเวลาที่จะไปเที่ยวสนุกสนานเหมือนสังคมในปัจจุบันนี้สมัยก่อนพอเสร็จจากการทำนาก็จะมีงานบุญประจำปีแต่การทำบุญสมัยก่อนมีแต่การทำบุญจริงๆไม่มีมหหรสพครบครันอย่างทุกวันนี้ โดยเฉพาะชาวบ้านดงเย็นแล้วจะมีความเลื่อมใสศรัท ธ, ธาในพระพุทธศาสนามากซึ่งมีครูบาอาจารย์สายปฏิบัติคือองค์ท่านหลวงปูป่พรหมจิระปุญโญท่านได้เป็นผู้นำชาวบ้านดงเย็นและหมู่บ้านใกล้เคียงให้ตั้งมันน่นยืนศีลในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และสร้างแต่ประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยเหตุแห่งปัจจัยดังกล่าวประกอบกับประเพณีนิยมของสังคมชนบทของไทยในสมัยก่อนลูกผู้ชายเมื่อเติบโตมาแล้วจะต้องบวชเพื่อทดแทนพระคุณดิดามารดาที่ได้เลี้ยงมาหลวงปู่เมื่อได้ครบอายุ21ปีก็ได้เก่งทหาร ที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีแล้วท่านก็เกิดความคิดอยากจะบวชตามวิถีชีวิตของสังคมชนบทในสมัยก่อนจึงขออนุญาตจากโยมิธามารดาเมื่อได้รับอนุญาตแล้วท่านก็เข้ากราบนมำสักการองคุปพรมิรปุญโญโดยถือครองนาคทันทีรักษา 8, ศีลแปดกษาข้อวัดปฏิบัติของพระภิกษุ จนเข้าใจเป็นอย่างดีได้ใช้เวลานานหลายเดือนท่านจึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุประวัติวัยเยาว์พุทธศักราชสอง9ถึงสอง0ันส่้องปู่ผางตริปุลโนเกิดเมื่อวันที่ห้าเมษายนพุทธศักราช 2,469 ตรงกับวันแรม6ค่ำเดือน4ตีขานที่บ้านดงเย็นตำบลดงเย็นอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโยมบิดาชื่อนายสอนโยมมารดาชื่อนางเหนงในสกุลแม่สถานมีอาชีพทำนาโดยในครอบครัวของหลุงปู่ มีญาติพี่น้องร่วมบิดามารดาจำนวนทั้งหมดแปดคนดังนี้ 1. นายแจ่มแม่สถาน 2. นายแจ้งแม่สถาน 3. นายแสงแม่สถาน 4. หลวงปู่ผานปริปุนโน 5. นางผิวแม่สถาน 6. นายคำลิวแม่สถาน 7. ็ นางเรียงพรมลายแนายเกิงนแม่สถานส่เพศพรหมจันร์หลวงปู่ผานปริปุนโนอุปสมบทเมื่ออายุได้21ปีตรงกับวันที่หกรกดาคมพุทธศักราช 2,490 เิวลาสิษีนาฬิกาที่วัดชัยมงคลตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครโดยมีพระอุปชาคือพระมหาเถือนอุชุกโรพระกรรมวาจาจารย์คือพระอธิการพรสุมโนพระอนุสาวนาจารย์คือพระอธิการพุทธยะโสได้รับฉายาว่าปริปุญโนพันษาที่หนึ่ง พุทธศักราช2490หลังจากอุปสมบทแล้วหลวงปูผ่ผานก็จำพรรษาที่วัดประสิท ธ, ธ, ธิธรรมกับหลวงปู่ครมจิระกุลโยพอออกพรรษาแล้วหลวงปู่ครมก็ได้พาหลวงปูผ่ผานไปกราบหลวงปู่มั่นภุริทัตโตที่วัดบ้านหนองเผือนาในาและพักปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่มั่น อยู่เป็นระยะเวลานานพอสมควรพันษาที่สองพุทธศักราช2491ในพรรานี้หลวงปู่มีความตั้งใจจะไปพักจำพรรษากับหลวงปู่มั่นอีกที่วัดบ้านหนองผือนาในแต่หลวงปู่ผางเดินทางไปถึงก็พบว่ามีพระอยู่จำพรรษากับองค์หลวงปู่มั่นเป็นจำนวนมาก กุติที่จะให้พระจำพรรษากับหลวงปู่มั่นมีจำนวนไม่เพียงพอหลวงปู่มั่นจึงเมตตาให้หลวงปู่ไปจำพรรษาที่วัดบ้านม่วงไข่ภาคขาวอําเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครโดยมีพระสงฆ์จำพรรษาด้วยกันทั้งหมดสี่รูปสามเณรหนึ่งรูปหลังจากออกพรรษาแล้วได้ไปรกราบนมัสการลาหลวงปู่มั่น ที่วัดบ้านน้องผือนาในเพื่อกลับมาพักอยู่กับหลวงปู่พงที่วัดประสิทธิธรรมระยะหนึ่งหลังจากนั้นได้กลาบลาหลวงปู่พงเพื่อออกวิเวสไปยังอำเภอบ้านถือพระพุทธบาทตัวบกอำเภอท่าบอกจังหวัดหนองคายจนถึงเวลาใกล้จะเข้าพรรษาก็ากลับมายังอุดอรธานีพรรษาที่สามพุทธศักราช 2,492 พักจำพรรษาที่ภูก 9, เก้าอําเภอโนนสังจังหวัดบุดรีรธานีหลังจากออกพรรษาแล้วเด้เที่ยววิเวศไปทาง อ, อําเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายเพื่อกราบนมั ส, ส ก, การหลวงปูเทพเทศหลังศีแห่งวัดหิหมาเป้งและได้พักศึกษาข้ออัดข้อธรรมจากหรงปู่เทพอีกระยะหนึ่งช่วง ได้ทราบข่าวว่าหลองปู่มั่นได้มรณภาพแล้วจึงรีบเดินทางไปกราบคารวะศพหลองปู่มั่นที่วัดป่าสุภาวาดหลังจากนั้นได้วิเวกกลับบ้านดงเย็นและในพรรานี้ได้พักจำพรรษากับองค์หลวงปู่รงศิวรักษุโยตลอดโจรดูแรงพรรษาที่สี่พุทธศักราช 2,493 ได้ติดตามนุ่งปู่พรมไปจำพรรษาที่วัดบ้านท่อน อ, อสว่างแดนดินจัังหวดสกลนครหลังออกพรรษาแล้วนุ่งปู่พรมได้เดินทางไปวัดน้องผืนานานายเพื่อประชุมคณะสงฆ์เตรียม ง, งานประชุมเพลิงองค์ปู่มั่นและโอกาสนี้นุ่งปู่ผางได้กราบมัสการนุ่งปู่ขาวอนาลโยแห่งวัดถ้ำตองเพลน หลังจากกราบน้ำส ก, การหลวงปู่ขาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลวงปู่ก็ได้กราบขออนุญาตหลวงปู่พรมติดตามหลวงปู่ขาวไปตามเทือกเขาภูพานมาแวะพักที่ถ้ำพวงอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครหลังจากนั้นหลวงปู่ขาวพาทวดงเลื่อยไปตามเทือกเขาภูพานจนถึงวัดถ้ำกรองเพนและได้พักปฏิบัติธรรม กับหลวงปู่ขาวระยะหนึ่งจึงได้กราบลาหลวงปู่ขาวเพื่อปรีวิเวทไปกราบหลวงปู่คาดีประภาโสที่วัดถ้าผาปู่อําเภอเมืองจังหวัดเลยได้พักอยู่กับหลวงปู่คําดีระยะหนึ่งหลังจากนั้นหลวงปู่คําดีพาเทวิเวทไปทางเหนือของอําเภอสังคมจังหวัดหนองคายแล้วเลียบริมฝั่งแม่น้ํำขงลงมายังวัดหินหมากเป้ง เพื่อกราบมลวงปู่เทศในโอกาสนี้ได้พบพระอาจารย์บัวพระอาจารย์เผยแะได้พักอยู่ด้วยกันระยะหนึ่งหลวงปู่เทสก็ได้ชักชวนหมู่คณะทั้งหมดข้ามไปยังฝั่งประเทศลาวโดยข้ามทางเรือไปยุเวกทางภูเขาควาอยู่ระยะหนึ่งนานพอสมควรจึงเดินทางกลับมายังฝั่งไทยที่วัดหินปากเ้งหลังจากนั้น ได้ออกวิเวกต่อไปจังหวัดเลยพัรษาที่หพุทธศักราช2494พักจำพรรษาอยู่ที่วัดบ้านนาเชือกจังหวัดเลยหลังจากออกพรรษาแล้วได้ทุดกลับภูมิลำเนาเพื่ออุปถากต์หลวงปู่พรมหลังจากพักอยู่นานพอสมควรแล้วได้ออกวิเวกไปทางหนองกุงทับมาอําเภอวังสามหมอ ก็ได้วกกลับมาที่อำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครพักอยู่อีกระยะหนึ่งก็ได้ปลีกวิเวทลงมาทางนิคมน้ำอุ่นบ้านกุดบากกุดแทสกุดไห้คอน้อยซึ่งเป็นบริเวณเทือกเขาภูพานพ้นทางธุรกันดานลำบากมากและได้ข้ามฟากไปยังอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนม ที่บ้านสามผงโดยมีความตั้งใจว่าจะไปกราบนมัส ก, การหลวงปู่ตื้ออาจรธรรมโมแต่ไม่ได้พบท่านได้พบกับหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนหลวงปู่บัวคําอาจารย์บัวและสา ม, มเณรหนึ่งรูปรวมทั้งหมดห้ารูปไดได้อยู่ปฏิบัติธรรมร่วมกันอยู่ที่บ้านสามผงและต่อมาหลวงตามหาบัว ได้ปรีวิเวกออกไปจากหมู่คณะก่อนหลังจากนั้นหลวงปู่ผางและอาจารย์บัวปร้วิเวกจากบ้านสามผงมายังดลกงมอดทองและย้อนกลับไปยังภูลังกาได้มีโยมภักขาวติดตามไปด้วยหนึ่งคนที่ภูลังกาที่บินทบาทลาบากมากจึงลงมาพักอยู่กับอาจารย์จวนกุลเชษโถ ท, ที่ภูท่อระยะหนึ่งจึงวิเวก กรับดงเย็นพันศาที่หพุทธศักราช2495พักจำพรรษาที่วัดพระดุงธรรมหลังจากออกพรรษาแล้วได้กราบลาหลวงปู่พรมขอปลีบวิเวไปยังจังหวัดสกล น, นครพักปฏิบัติธรรมร่วงกลับหลวงปู่ปั้นที่อำเภอพันนานิคมต่อจากนั้นวิเวกลับมาที่อำเภอสว่างแดนดิน เพื่อกราบนมรดการหลวงปูพ่พรสุมาโนดและได้พักอยู่กับหลวงปูพ่พรระยะหนึ่งจึงกลับไปบ้านโดงเย็นเพื่อมากราบหลวงปูพง่พงซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของท่านเสมอได้พักอยู่กับหลวงปูพง่พงอีกระยะหนึ่งจึงกราบลาหลวงปูพง่พงออกวิเวกไปทางอำเภอสองดาวกับสมมเนีนโสภาเย็นอารันปัจจุบันนี้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ที่บ้านดมเย็นวัดนวนพ่อณสถานที่แห่งนี้ได้พบหลวงปู่ขาวอนาลโยพระอาจารย์จูนกุลเชษโถพระอาจารย์บุญเพงเขมาพิระโตที่บ้านนาไทรน้อยได้พักอีูด้วยกันเป็นเวลาน ห, นวหนึ่งบสถเ์โดยหลวงปู่ผางเป็นผู้สวดพระปาติโมกถวายหลวงปู่ขาวหลังจากนั้นก็ออกผู้ดงติดตามหลวงปู่ขาว ไปยังวัดถ้ำกองเพนจังหวัดหนองบัวลำพูภันศาที่7พุทธศักราช2 4 9พราพักจำพรรษาที่อำเภอวังสพุงและได้จำพรรษาร่วมกับพระอาจารย์ทองสุขและพระอาจารย์เมตรวมทั้งหมด3มรูปหลังจากออกพรรษาแล้วได้ออกวิเวกไปทางถ้ำผาบิ้งเพื่อไปกราบหลวงปู่ชออและพักปฏิบัติธรรม กับหลวงปู่ชอบระยะหนึ่งหลังจากนั้นหลวงปู่ชอบได้พาเที่ยวิเวกขึ้นไปทางเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ได้พาวิเวกไปยังสถานที่สงบสงัดทุกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่พรนศาที่8พุทธศักราช2497พักจำพรรษาที่ป่าบ้านเงียดอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ หลวงปู่เล่าว่าเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่สิบกว่าลังคาเรือนมีพระจำพรรษาด้วยกันทั้งหมดสมรูปหลังจากออกพรรษาแล้วได้ไปกราบหลวงปู่แหวนจุจิโนโนวัดป่าบ้านปงอำเภอแม่แปลงจังหวัดเชียงใหม่พักอยู่ระยะหนึ่งหลวงปูช่ชอบได้เดินทางมาพักที่วัดป่าบ้านปงพักอยู่ด้วยกันได้ไม่นานหลังจากนั้นหลวงปูช่ชอบ ได้พาหลวงปูผ่ผางไปวัดถ้ำผาป่องอําเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ได้พบหลวงปู่สิมพุทธาจารโรหลวงปูต ư, ่ตื้ออจละธ ร, รมโมและได้พักปฏิบัติธรรมร่วมกันที่วัดถ้ำผาป่องหลังจากนั้นได้พบหลวงปู่หลุยจันทสาโรกวิเวชมาอย่างถ้ำผาปองต่อมาหลวงปู่ชอบหลวงปูต ư, ่ตื้อหลวงปูผ่ผาง ได้ออกนดงกลับไปยังสำนักหลวงปู่ตื้อวัดปากทางอำเภอแม่แตงหลังจากนั้นหลวงปู่ชอบได้ปลีวิเวกออกไปเพียงองค์เดียวและหลวงปู่ผางได้พักปฏิบัติธรรมอยู่กับหลวงปู่ตื้อจนหมดหน้าแรงจวนจะเข้าพรรษาได้กลาดลาหลวงปู่ตื้อออกวิเวกองเดียวตามลำพังพรรษาที่9ถึงสพุทธศักราช 2,498 ถึง 2,499 พักจำภาษาที่วัดบ้านท่าการอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่หลังจากออกภาษาแล้วเที่ยวไปเที่ยวมาระหว่างวัดป่าบ้านตปงกับสำนักสงฆ์หลวงปู่ตื้อได้พบหลวงปู่ชอบหลังจากนั้นก็ทุดงกับหลวงปู่ชอบไปทั่วบริเวณแถบภาคเหนือ พรรษาที่11พุทธศักราช2500พักจำพรรษาที่อำเภอแม่สายจังหวัดชิงรายหลังจากออกพรรษาแล้วก็ออกวิเวกกลับภาคอีสาพนพรรษาที่12พุทธศักราช2501พักจำพรรษาที่อำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นหลังจากออกพรรษาแล้วได้วิเวกกลับมาบ้านดงเย็น เพื่ออุปถักภ์งปู่พรมภันษาที่13พุทธศักราช2 5 2พัรพักจำพรรษาที่วัประสิทธิธรรมกับหลวงปู่พรมหลังจากออกภรรษาแล้วก็ได้รับนิมน์จากญาติโยมทางอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นให้เป็นจำพรรษาที่นั่นพันษาที่14พุทธศักราชสอ3พัรมกจรรษาที่อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่นหลังจากออกพรรษาแล้วได้บอกลาญาติโยมกลับมาที่วัดประสิทธิธรรมพรรษาที่15พุทธศักราช2504พักจำพรศศรษาที่วัดประสิทธรรมพรรษาที่16พุทธศักราช2505ลุงปู๋ยพงษ์ได้มอบหมายให้ไปจำพรรษาที่วัดป่าบ้านท่อนอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสนนกลนคร หลังจากออกภรรษาแล้วได้เดินทางกลับวัดประสิท ธ, ธ, ธิธรรมพรรษาที่17พุทธศักราช2 5งพัารกพักจำพรรษาที่วัดประสิท ธ, ธ, ธิธรรมหลังออกพรรษาแล้วได้วิเวกไปทางดรงมอ ท, ทองพักอยู่ระยะหนึ่งได้ออกวิเวกต่อไปทางภูวัวภูทอกได้พักกับพระอาจารย์จวนกุลเชษโถ ร, ระยะหนึ่งและออกวิเวกต่อไปอยังภูหลังกา ภันศาที่18พุทธศักราช2 5 0พรพักจำพรรษาที่วัดป่าบ้านตากอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธา น, านีกับหลวงตามหาบัวญาติสัมปันโนมีพระร่วงจำพรรษาทั้งหมดเจรูปสามเณรหนึ่งรูปอยู่จนสิ้นกรานกระถินก็ได้กราบลาหลวงตามหาบัวออกวิเวกไปทางจังหวัดหนองคายทางบ้านนา ม, มั่งปากมั่ง วิเวกตามฝั่งลุ่มแม่น้ำขขงลงมาทางใต้จนถึงวัดหินหมากเป้งได้พักอยู่กับหลวงปู่เทศนานพอสมควรแล้วได้กราบลาหลวงปู่เทศออกวิเวกไปทางเหนือไปยังหมู่บ้านแก้งไกข่ขาแดงทางอำเภอสังคมมีพระพิสุทธิ์ที่ร่วมพิดงไปด้วยมีพระอาจารย์บุญทินสัมมเนนรีวิเวกไปทางจังหวัดเลยและวกกลับมาทางอำเภอท่าบอก ได้แวะกลาดมัสรรการหลวงปูเหรียญพรลาโภณวัดอรัญญบันพศภันศาที่19พุทธศักราช2 5 0พรพักจำพรรษาที่อำเภอน้ำหนาจังหวัดเพชรบูร์หลังออกพรรษาแล้วได้ปลีพิเวกกลับอุดรแล้วเลยไปทางอำเภอสว่างแดนดินเว้นพักที่วัดป่าแก้วชุมพลพันาที่20สิ พุทธศักราช2509พักจำพรรษาที่วัดปากแก้วชุมพลกับพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรอําเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครภรรษาที่21พุทธศักราช2501 1พักจำพรรษาที่วัดตานิมิตหลังจากออกพรรษาแล้วพระอาจารย์บัวกันโตพาโตวัดบวรประสาท ธ, ธรรม ได้เดินทางมาหาหลวงปู่ผางที่วัดตานิมิตเพื่อชักชวนกันไปกราบหลวงปู่คาดีประพาสโสที่วัดถ้ำผาปู่ให้พักอยู่กับหลวงปู่คําดีพอสมควรแล้วหลวงปู่คาดีได้ชักชวนไปกราบหลวงปู่เทศที่วัดหินหมะกเป้งหลังจากนั้นได้มีคณะญาติโยมทางฝั่งลาวได้มากราบนิมนต์หลวงปู่เทศเพื่อไปทําบุญบ้านที่ฝั่งลาว พระทั้งหมดที่ปายประกอบด้วยหลวงปู่เทศหิร์งปู่คาดีหลวงปูงป่บัวหลวงปู่ผางไปพักที่ฝั่งลาวทั้งหมดสามคืนจึงเดินทางกลับหนองคายหลังจากนั้นหลวงปู่เทศก็ได้นำหมู่คณะไปร่วมงานถกภัตสีมาณวัดบ้านเหลางาจังหวัดขอนแก่นปัจจุบันเป็นวัดตาวิเวกธรรมพระอาจารย์บุญเพ็งกัปปโกหรือจำพรษา หลังจากเสร็จงานแล้วหลวงปูค่คําดีจึงได้ชักชวนหมู่คณะมาที่วัดป่าบ้านหนองแซ ง, งอําเภอหนองวัวซอตอนแรกหลวงปู่คาดีตั้งใจจะพาหมู่คณะไปจำพรรษาที่บ้านหนองแซงแต่ยังไม่ทันได้อยู่จำพรรษาก็พอดีหลวงปู่สีทนพร้อมด้วยคณะญาติโยมทางจังหวัดเลยได้มากราบมิมนิมนิมหลวงปู่คําดีหลวงปู่บัวหลวงปู่ผางหลวงปู่ท่อน ให้ไปพักที่เมืองเลยหลังจากพักอยู่กับหลวงปู่คำดีพอสมควรหลวงปู่ผางก็ได้กราบลาหลวงปู่คำดีเพื่อออกผดงไปตามสถานที่ต่างๆเช่นอําเภอภูเรืออําเภอด่านซ้ายอําเภอหล่มเก่า่นใกล้เวลาเข้าพรรษาก็จังรรษาที่จังหวัดเพชรบูรณ์พรรษาที่22พุทธศักราช2511ั พักจำพรรษาที่บ้านขี้นาเภอหล่มเก่าจัังหวดเพชรบูรณ์ในพรรษานี้มีพระซึ่งจำพรรษาอยู่ด้วยกันทั้งหมดมีสามรูปด้วยกันมีหลวงปู่ผานพระอาจารย์จุนเรียนและพระอาจารย์สมศรีและสามเณรสองรูปหลังจากออกพรรษาแล้วก็ที่วิเวกอยู่ในแถบเทือกเขาในจังหวัดเพชรบูรณ์ประมาณเดือนพฤษภา ค, คมก็ได้รับจดหมายจากบ้านดงเด็น ส่งข่าวมาว่าหลวงปู่พรมจิรปุญโญได้มรณภาพแล้วหลวงปู่จึงได้รีบเดินทางกลับมาบ้านดงเย็นภรรษาที่ 23-27 พุทธศักราช 2512-2516 พักจำพรรษาอยู่ที่วัดประสิทธิ ธ, ธรรมปีนี้ได้มีการเตรียมงานประชุมเพลิงขององค์หลวงปู่พรม จนเป็นที่เรียบร้อยแล้วและในช่วงนี้หลวงปู่ได้นำคณะศรัทธาญาติโยมก่อสร้างเจดีเพื่อบรรจุอธิธาต์และอัฐะบริขารของหลวงปู่พรมจนเสร็จเรียบร้อยภายในปีพุทธศักราช2514หลังจากนั้นให้ประกอบพิธีถวายเพลิงหลวปูพรมในวันที่หมีนาคม2514หหลังจากหลวงปู่ผาง จัดการเสร็จสิ้นทุกอย่างเกี่ยวกับหลวงปู่พรมแล้วคณะสงฆ์ก็ได้มอบหมายลงมติมีความเห็นว่าสมควรให้หลวงปู่ผางได้เดิารงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดประสิทธิ ธ, ธ, ธรรมสืบต่อจากนั้นมาภรรษาที่28พุทธศ 28, ักราช2517พักจัพนพรรษาที่ถ้ำจันอำเภอเบิงการจังหวัดหนองคาย โดยมีพระจำพรรษาสามรูปส ม, มนเณรหนึ่งรูปพระขาวหนึ่งคนหลังจากออกพรรษาแล้วให้ชุดงจากถ้ำจันร์มาที่บ้านดงเย็นญาติโยมให้กราบอาราธนานิมนต์ขอให้ลุงปู่อยู่จำพรรษาต่อที่วัดประจิทิธรรมบ้านดงเย็นพรรษาที่2 9ถึง34พุทธศักราช2518 ถึง 2,523 พักจำพรรษาที่วัดประสิทธิธรรมช่วงฤดูแง้งก็ได้มีพธิธีอัญเชิญพระบรมส า, ารีริกธาตุมาประฏิสฐานภายในเจดีย์หลวงปู่รมในครั้งนี้ได้กราบนิมนต์เรียกเชิญพระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่มาเป็นองค์ประธานทำพิธีบรรจุพระบรมส า, ารีริกธาธตุโดยมีท่านเจ้าคุณ ธรรมะตรโลกาจารหลวงปู่บุญชินะวังโสหลวงปู่วันอุตโตโมหลวงปู่ลีทิตตธรรมโมหลังจากเสร็จงานบัรจุพระบรมสารีริกธาตุเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลวงปู่ผางก็ได้รับนิมนต์จากทุกศิษย์ขึ้นมากรุงเทพพอครูบาอาจารย์ท่านต่างๆได้ทราบข่าวว่าหลวงปู่ได้รับกิจนิมนต์ขึ้นมากรุงเทพ ก็ได้พากันมากราบนิมนต์หลวงปู่เข้าตรวจเช็คสุขภาพที่โรงพยาบาลสงฆ์ทางคณะแพทย์จากโรงพยาบาลสงฆ์ให้ตรวจเ ล, เลือดเชลผลออกมาพบว่าหลวงปู่เป็นนิ่วที่กลวัวตายได้ทําการผ่าตัดรักษาจนอาการดีขึ้นหลวงปู่กลับมาพักรักษาสุขภาพอีกที่วัดจนสุขภาพแข็งแรงดีหลังจากนั้น หลวงปู่ก็ได้สั่งให้หรื้อสาราหลังเก่าซึ่งปลวกกินชมรุดและสุโทมากมาบูรณะและสร้างขึ้นใหม่แทนหลังเดิมซึ่งเป็นสาราการน้ำอยู่ในปัจจุบันนี้พรรษาที่35มพุทธศักราช5 2 4พันหายพัมรรษาที่บึงสอหมู่บ้านเกาะประทิงอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดชัยเชิงเต่าหลังจากออกพรรษาแล้ว คณะญาติโยมบ้านดงเย็นได้กราบให้มนต์หลวงปู่ผางให้กลับมจาจำพรรษาที่วัดประสิทธิ ธ, ธรรมพรรษาที่3 6ถึงส9พุทธศักราช5 2 5พถึงสพัาี่พักจำพรรษาที่วัดประสิทธิ ธ, ธรรมได้นำคณะศรัทธาชาวบ้านและญาติโยมเข้าทำการซ่อมแซมปรับปรุงเสนาสนะภายในวัดที่ชำรุดทรุดโทรมให้ดียิ่งขึ้น หลังจากออกพรรษาแล้วปีพุทธศักราช2528หลวงปู่ก็ได้ปลิววิเวกไปทางจังหวัดเลยจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วเข้าไปในเขตจังหวัดนครสวรรค์พรรษาที่40พุทธศักราช2529พักจำพรรษาที่ถ้ำเขาเรืออำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์หลังจากออกพรรษาแล้วช่วงนี้หลวงพ่อคําบอก และคณะได้ติดตามมาอารัธนานิมนเขอให้หลุงปู่กลับไปตรวจสุขภาพและเช็คร่างกายที่กรุงเทพหลังจากลุงปูต่ตรวจเช็คสุขภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้วลุงปู่ก็ได้ปลี้วเวกต่อไปทางจังหวัดลบบุรีซึ่งเป็นสถานที่สงบอากาศดีเหมาะแก่การภาวนาอย่างยิ่งพันศาที่ 41-48 พุทธศักราช 2530-2537 พักจำพรรษาที่วัดเวรุวันเขาจีนแลอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีกับพระอาจารย์สมุตอธิปันโนได้พักปฏิบัติธรรมบำเพ็ญภาวนาอากาศดีมากได้พักอยู่สักระยะหนึ่งชาวบ้านแถบนั้นเกิดความศรัทธาเลื่อนใสหลวงปู่พางเป็นอย่างมากจึงได้พากันกราบอราราธนานิมนต์ให้หลวงปู่จำพรรษาด้วยนานๆไม่อยากให้ไปที่อื่นอีก จนกระทั่งในปีพุทธศักราช2537หลังจากออกพรรษาแล้วชาวบ้านบ้านดงเย็นได้ไปกราบอราราธนานิมนต์หลวงปู่ให้กลับมาบ้านดงเย็นอีกครั้งหนึ่งหลังจากกลับมาแล้วหลวงปู่ก็ปรารบเรื่องการรื้อวิหารหลังเก่าที่ชำรุดทุดโทรมออกไปและทําการบูรณะวิหารขึ้นมาใหม่แทนหลังเก่าซึ่งเป็นไม้ได้ชำรุดทุดโทรมลงไปมากแล้ว แต่ท่านพระอาจารย์จำเนียงจิริจันโทซึ่งเป็นทุกศิธิ์ของหลวงปู่ได้กราบเรียนหลวงปู่ขอเอาไว้ว่าจะขอทำการซ่อมแซมและบูรณะแทนองค์หลวงปู่เองพันษาที่49พุทธศักราช2538ในช่วงฤดูแรงหลังจากออกพรรษาแล้วหลวงปู่ได้ออกพระดวงไปที่จังหวัดภูเก็ตโดยมีคณะสัตธ า, าตโยมทางจังหวัดภูเก็ต ได้มากราบอารธาธนานิมนต์หลวงปู่ให้ไปพักจำพรรษาที่สำนักสงฆ์สันติวรยานยูิในป่าสงวนยางเขตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตพอออกพรรษาแล้วก็ได้รับทราบข่าวว่าหลวงปู่ชอบมรณภาพแล้วหลวงปู่ก็รีบเดินทางจากจังหวัดภูเก็ตเพื่อมากราบนมัสการคารวะศพของหลวงปู่ชอบฐานะสโมโภชซึ่งเปรียบเสมือนพ่อ แม่ครูบาอาจารย์ซึ่งองค์หลวงปู่เคารพมากที่วัดป่าสัมมนุสรอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยหลังจากนั้นหลวงปู่ก็ได้เที่ยวิเวกไปตามสถานที่ต่างๆอีกจนกระทั่งใกล้งานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ชอบหลวงปู่ก็กลับมาที่วัดป่าสาัมมานุสรอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ หลังจากเสร็จงานพระสถานเพลงิงศพหลวงปู่ชอบแล้วหลวงปู่ก็กลับมาพักจำพรรษาที่วัดประสิท ธ, ธิธรรมหลังจากนั้นได้ไม่นานหลวงปู่ก็เกิดอาการท้องร่วงอย่างรุนแรงและจะมีอาการไข้เวลาบ่ายทุกๆวันคณะลูกศิษย์ได้กราบอาราธนานิมนต์หลวงปู่ให้ไปตรวจที่โรงพยาบาลหมอไพโรธหลังจากคุณหมอตรวจแล้วพบว่าหลวงปู่เป็นตับอักเศษ ได้ได้ให้ยามาฉันจนอาการดีขึ้นเป็นลำดับพันษาที่5 0 5ถึงพุทธศักราช2 5 3 9ถึง2544หลังจากกลับมาจากพันษาที่วัดประสิทธิธรรมแล้วอาการเกี่ยวกับสุขภาพขององค์หลวงปู่ก็ทรงทรงเป็นไปไหนหายต่อเ น, นื่องมาตลอดจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2541สิลูกศิษย์ได้ไดมบนหลวงปู่ กลับมาตรวจที่โรงพยาบาลอีกครั้งโดยให้แพทย์ด้านอายุรกรรมเป็นผู้ตรวจรักษาอาการที่ตรวจพบคือลุงปู่มีอาการไอและมีเสมหะผลเลือดมีน้ำมูกมีไข้ต่ำเป็นอยู่บ่อยครั้งทางคณะแพทย์จึงได้ทำการตรวจเอกซเรย์พบว่าลุงปู่เป็นโรคหลอดลมป่งพองปอดบวมและมีน้ำในปอดข้างซ้ายผลปรากฏว่า ปอดส่วนล่างทั้งด้านซ้ายและด้านขวาแฝ บ, บลงคณะแพทย์จึงได้ให้ยากลับไปฉันที่วัดอาการก็ทุเลาลงแต่ไม่หายขาดหลังจากนั้นก็จะมีการเจาะเลือดไปตรวจร่างกายทุกสามเดือนต่อมาปี2542หลวงปู่มีอาการปวดบวมที่กรามด้านซ้ายส่งผลให้การขบฉันอาหารได้น้อยมากคณะลึกสิษ จึงได้กราบนิมนต์หลวงปู่ไปตรวจร่างกายเลขสเสลกคอมพิวเตอร์ที่กรามด้านซ้ายพบว่ากระดูกฟันขึ้นผิดรูปเวลาเคี้ยวอาหารจะทำให้ฟันกัดโดนผนังแก้มด้านซ้ายเป็นแผลต้องถอนออกไปคณะแพทย์จึงขออนุ ญ, ญาตหลวงปู่เพื่อขอถอนฟันและรักษาอาการให้หายเป็นปกติต้นปีพุทธศักราช2543 คณะลูกศิษย์ได้กราบให้มนหลงปู่มาตรวจเช็คสุขภาพร่างกายอีกครั้งที่โรงพยาบาลสกลนครทางคณะแพทย์และพยาบาลได้ถวายการตรวจเล็กสะเลปอดและอันตราซาวและตรวจเบบลือดพบว่าหลวงปู่เป็นก้อนเนื้อแข็งที่ตับด้านขวาปอดแคบด้านล่างทางด้านซ้ายและด้านขวาแต่ยังสันนิษฐานไม่ได้ว่าเป็นมะเร็งบนเนื้อตับหรือไม่ ต้องไปตรวจวินิจฉัยดูก้อนเนื้อเสก่อนที่จะทราบผลแน่นอนแต่แพทย์สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นก้อนเนื้อร้ายและอยู่ในระยะขั้นสุดท้ายแล้วและสงสัยว่าอาจจะลุกลามมาถึงปอดและเกิดเป็นน้ำเท่วมปอดถ้าที่ดูจากลักษณะอาการที่ตรวจพบส่วนใหญ่จะอยู่ได้ประมาณไม่เลย3ามเดือนอย่างมากไม่เกินหเดือนคณะลูกศิษย์ก็ได้จัดยามาถวาย เป็นพวกสมุนไพรทั้งเป็นยาต้มและยานา้ำอาการของโรคก็ไม่มีท่าว่าจะหยุดแต่อย่างใดวันที่20มีนาคม2543คณะลูกศิษย์ได้กราบนิมนหลวงปู่ลงมาตรวจเช็คสุขภาพที่กรุงเทพที่โรงพยาบาลสองฆ์อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้แน่ใจในผลการตรวจพบผลปรากฏว่า ผลตรงกันกลับที่คุณหมอทางโรงพยาบาลสกลนครสันนิฐานอยู่แพทย์ตรวจพบว่าหลวงปู่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายหลังจากนั้นหลวงปู่ก็กลับมาจำพรรษาที่วัดประชิทธิธรรมอีกอาการก็ทรงตัวมาเรื่อยเรื่อยกกระทั่งปลายปี2544วันศุกร์ที่16พฤศจิกายน2544 เวลาประมาณหกนาฬิกาเช้าหลวงปู่เริ่มมีอาการปวดท้องเล็กน้อยหลังจากนั้นเวลาแปดนาฬิกาหลวงปู่เริ่มมีอาการปวดท้องรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเป็นก้มกราบพระไม่ได้เลกจิตจึงได้กราบมีมนหลวงปู่ให้ไปตรวจที่โรงพยาบาลสกลนครหลังจากคุณหมอตรวจเลขเจลย์ผลทุกที่เรียบร้อยแล้วพบว่ามีเลือดออกที่เยื่อหุ้มก้อนเนื้อที่ตับคณะแพทย์จึงลงความเห็นว่า ควรจะนิมนต์หลวงปู่ไปทำการรักษาทันทีที่โรงพยาบาลที่มีเครื่องมือครบมากกว่านี้โดยทำการรักษาให้เลือดหยุดโดยไม่ต้องผ่าตัดคณะลูกศิษย์ทางกรุงเทพจึงติดต่อไปที่โรงพยาบาลจุฬาเพื่อกราบนิมนต์หลวงปู่เข้าทำการรักษาระหว่างที่นิมนต์หลวงปู่ขึ้นกรุงเทพเพื่อมาทำการรักษาหลวงปู่มีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยอยู่ทางคณะลูกศิษย์ ที่้ประสานงานกับทางกองทัพ บ, บกติดต่อขอเฮลิคอปเตอร์ที่ติดตามสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถขณะเสด็จแปรพระราชฐานประทับแรมณนะพระตนักภูผานราชนิเวศเพื่อขอทำการส่งหลวงปู่เข้ากรุงเท พ, พรีบทำการรักษาอย่างเร่งด่วนวันเสาร์ที่17พระจิจกายน2544 เวลา10นาฬิกา20นาทีหลวงปู่ถูกส่งตัวจากโรงพยาบาลสกลนครมาทางเฮลิคอปเตอร์จากค่ายกริีศวราจังหวัดสกลนครมาลงที่สนามเป้ากองพลทหารม้าที่หนึ่งมหาดเล็กรักษาพระองค์ขณะนั้นเวลา14นาฬกา20 น, นาทีคณะลึกศิษ์ทางกรุงเทพได้จัดรถพยาบาลมารอรับหลวงปู่ที่สนามบินหลังจากนั้น หลวงปู่ก็ถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลจุลาทันทีพอหลวงปู่มาถึงโรงพยาบาลจุลาทางคณะแพทย์พยาบาลก็ได้นิมนต์หลวงปู่เข้าห้องเอ็กซเรย์เพื่อดูผลเกี่ยวกับอาการปวดท้องผิดปกติแต่หลังจากทราบผลการเอ็กซเรย์แล้วทางคณะแพทย์ได้กล่าบเียนหลวงปู่ว่าการที่หลวงปู่ปวดท้องเกิดจากการที่แพทย์ตรวจเล็กเรยแล้วพบว่า หลวงปู่มีการเลือดไหลออกในช่องท้องมากผิดปกติซึ่งเป็นผลเกี่ยวเนื่องจากมะเร็งตับที่หลวงปู่เป็นอยู่ทางคณะแพทย์พยาบาลพร้อมด้วยลูกศิษย์ทุกๆคนต่างปรึกษากันมีความเห็นว่าถ้าไม่รีดทำการรักษาหลวงปู่ภายในคืนนี้ก็จะสายเกินแก้ไขและทุกคนก็ได้ปรึกษากันลงความเห็นว่าควรกรบเปียนหลวงปู่ให้ทราบเสียก่อน เพื่อทางคณะแพทย์จะได้ถวายการรักษาลุงปูให้พ้นจากฉีดอันตรายโดยเร็วหลังจากกราบเรียนลุงปูให้ท่านทราบเกี่ยวกับวิธีการรักษาตามขั้นตอนของแพทย์ทางโรงพยาบาลแล้วว่าจะรักษาโดยการทำการหยุดเลือดที่ไหลออกมาในช่องท้องเกี่ยวกับการฉีดโอมเข้าไปอุดเส้นเลือดเส้นที่แตกออกมาเพื่อทำการหยุดเลือดที่ไหลออกมาเป็การอุดช่วคราวไปก่อน หลวงปู่ท่านก็อนุญาตให้ทําการรักษาโดยทันทีหลังจากที่คณะแพทย์ได้ทําการรักษาหลวงปู่จนพ้นจากอันตรายแล้วอาการของหลวงปู่ก็ทุเลาลงเรื่อยๆมาและหลวงปู่ได้พักรักษาที่โรงพยาบาลจนถึงวันที่26พฤศจิกายน2544ทางคณะแพทย์ลงความเหม็นว่าให้กราบมิมนิหลวงปู่ กลับไปพักรักษาสุขภาพต่อที่วัดได้หลังจากนั้นหลวงปู่ได้เดินทางออกจากโรงพยาบาลจุฬาเวลา9นาฬิกาเพื่อเดินทางไปขึ้นเครื่องบินเที่ยวบินเวลา11นาฬกา50นาทีเดินทางกลับถึงวัดประสิทธิธรรมเป็นเวลา14นาฬิกาหลังจากนั้นทางคณะแพทย์ได้กราบเรียนหลวงปู่ถึงหมายกำหนดการในการทําการรักษาในครั้งต่อไป ตรงกับวันที่12ธันวาคม2544วันพุทธที่12ธันวาคม2544หลวงปู่ได้เดินทางขึ้นกรุงเทพมาถึงโรงพยาบาลจุฬาคณะแพทย์ก็ได้ถวายการรักษาอาการกลองปู่อย่างต่อเนื่องจนอาการดีขึ้นทางคณะแพทย์ก็ได้กราบในมณีหลวงปู่ให้กลับไปพักรักษาสุขภาพ ต่อที่วัดได้จนถึงวันที่17ธันวาคม2544เวลา9นาฬิกา30นาทีหลวงปู่ก็ได้เดินทางออกจากโรงพยาบาลกลับวัดทันทีหลังจากนั้นทางคณะแพทย์ให้กราบเรียนหลวงปู่ถึงหมายกำหนดการในครั้งต่อไปซึ่งตรงกับวันที่14มกราคม2545 วันจันทร์ที่14มกราคม2545หลวงปู่ได้เดินทางมาถึงกรุงเทพเวลา17นาฬกา30นาทีคณะแพทย์ก็ได้ถวายการรักษาอาการของหลวงปู่อย่างต่อเนื่องจนอาการดีขึ้นหลังจากนั้นทางคณะแพทย์ก็ได้กราบเรียนหลวงปู่ให้กลับไปพักรักษาสุขภาพที่วัดต่อไปจนถึงวันที่ ยี่มกราคม25ห้าสหหลวงปู่ก็ได้เดินทางออกจากโรงพยาบาลเพื่อกลับไปพักรักษาตัวที่วัดหลังจากนั้นมาอาการก็ทรงทรงเรื่อยมาจนกระทั่งถึงวันที่สิบห้ากุมภาพันธ์พัน้าร้หตรงกับวันศุกร์ขึ้นสี่ําำเดือนสี่เวลา 23.35 านาิกาห้านคือหลวงปู่ผานปริพุณโนถึงแก่บรณภาพด้วยโรคมะเร็งในตับอาจเจียนไปนเลือดออกจากช่องท้องเป็นที่เศร้าสลดอาัยแก่พุทธศาสนิกชนอย่างยิ่งนับว่าเป็นการสูญเสียพระอริยสงฆ์ผู้เป็นที่เคารพศรัทธาอย่างสูงยิ่งไปอีกรูปหนึ่ง ต่อแต่นี้ไปคงเหลือแต่เพียงคําสอนที่ทิ้งไว้ให้เราประพรึกิปฏิบัติในสิ่งที่ดีหลวงปู่มรณาภาพด้วยอาการอันสงบท่ามกลางสิกยานิสิตและญาติโยมซึ่งมีจำนวนไม่มากนักในเวลานั้นเพราะเป็นเวลากลางคื น, คนที่กุติคงหลวงปู่ในวัดประสิทธิธรรมตำบลดงเย็นอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี เมื่อข่าวการบรณภพคนปู่แพร่กระจายออกไปพ่อขาประชาชนตะเนนทราบต่างก็หลั่งไหลกันมากราบคารวะศพของหลวงปู่เป็นจำนวนมากศพหลวงปู่ตั้งบมรรคภูศลที่กุติหลวงปู่ภายในวัดประสิทธิธรรมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ากราบในมัสการหมายกำหนดการประชุมเพลิงของหลวงปู่ตรงกับวันจุลที่ห้า เมตายนพุทธศักราช2545ห้าสี่สิห้าเวลาสิบหนาฬกาประกอบพิธีป ร, ระชุมเพลิงโดยหลวงตามหาบัวยานสัมปัโนสนธนาพ ร, รมลุกศิษย์ถามว่าหลวงปู่เจ้าคะถ่านหนูมีความประสงค์อยากพิมพ์ธรรมะกองหลวงปู่ออกมาหลวงปู่จใจชื่อหนังสือว่าอะไรดีคะ หลวงปูต่ตอบว่าฝากไว้ก่อนลูกศิษย์ได้มีข้าราชการคนหนึ่งเคยอุปสมบทและเคยศึกษาข้ออัดข้อธรรมกับหลวงปู่พอได้เวลากำหนดลาศิกขาแล้วได้ไปกราบหลวงปู่แล้วไปขอข้อธรรมที่จะเป็นแนวทางประพฤติ ป, ปฏิบัติเมื่อออกมาเป็นคารวาดขอธรรมง่ายๆหลวงปู่ให้พิจารณาความเสื่อมของสังขารเกสา โลมานักขาทันตาตะโจและลระลึกพุทโธอยู่เสมอลูกศิษย์หลวงปู่เจ้าคะหนูได้ปฏิบัติธรรมไหว้พระสวดมนต์ทุกวันเวลานั่งสมาธิแล้วทำไมจึงง่วงมากหลวงปู่ม่วงกะนอนจ้ะเตนแล้วค่อยทำใหม่จะได้มีพลังในการทำสมาธิวิธีแก้ ง, ง่วงให้เอามือประสานการที่ยอดอก ก้มลงให้ขางชิดมือแล้วยกตัวไปข้างหน้าก็จะหายง่วงได้ในสมัยพุทธกาลก็จะมีให้ลุกขึ้นเดินไปล้างหน้าเดินจงกรมแล้วจึงค่อยนั่งพระบางรูปบางองค์ขณะปฏิบัติแล้วเกิดความง่วงจะใช้ใบบัวใส่น้ำยกแขวนไว้บนศีรษะแล้วเจาะรูเล็กๆให้หยดน้ำใส่สศีรษะจะได้ไม่ง่วงก็มีแต่ถ้าตั้งใจทาจริงๆก็จะไม่ง่วง ลูกศิษย์หลวงปูช่ชก้คะหนูได้ขุดดินปลูกต้นไม้ที่บ้านผพอเอินเสียงไปสัตว์อื่นอ่างขาดขึ้นตัวทำให้หนูทุกข์ใจมากกรรมอันนี้ชาติหน้ารู้จะเกิดเป็นอื่นอ่างไหมคะหลวงปู่ไม่เป็นไม่ได้เจตนามีบาปเล็กน้อยคือเศร้าหมองเพราะทำโดยไม่เจตนาให้ทำบุญแผ่เมตตาให้ตนเองและให้สัตว์นั้นด้วย ลูกศิษย์หลวงปู่เจ้าคะทุกวันหนูจะฉีดยากันยุงเพื่อใล่ยุงกอดให้ลูกๆเข้านอนเพราะกลัวยุงจะกัดลูกทําให้เป็นไข้เลือดออกและทําให้เกิดความรําคาญเวลานอนหนูจะบาปไหมคะหลวงปู่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตัดสินหรือฆ่าเขาได้วิธีอื่นๆก็ยังมีลูกศิษย์หลวงปู่คะกรณีคนไข้ที่อาการป่วยมาก มรู้สึกตัวแล้วแต่มีลมหายใจอยู่อยู่ไปก็ทรมานและสงสารเขาหนูจะช่วยเขาตายเร็วขึ้นโดยให้คุณหมอฉีดยาให้ตายเพื่อเขาจะได้ไม่ทรมานอีกต่อไปอย่างนี้เป็นบาปไหมหลวงปู่บาปคุณรู้ได้อย่างไรว่าเขาจะตายลูกศิษย์ได้มาใส่บาตรและถวายอาหารกับหลวงปู่ แล้วคอยมองที่บานหลวงปู่ว่าหลวงปู่จะฉันอาหารของตนหรือไม่ในที่สุดจึงกราบเรียนหลวงปู่ว่าหลวงปู่คะอาหารหลวงปู่มีมากมายและหลวงปู่ไม่ได้ฉันอาหารของอีฉันอีฉันจะได้บุญไหมคะหลวงปู่ได้อยู่ที่เจตนาให้ทานด้วยใจบริสุทธิ์ก็ได้บุญมากลูกศิษย์ขอกราบเรียนถามเกี่ยวกับเรื่องการทําบุญ ว่าทำกับใครจึงจะได้บุญมากหลวงปู่ต้องพิจารณาทําบุญกับคนดีมีศีลธรรมเหมือนกับทำนาถ้าดินดีปลูกข้าวก็า ง, งามได้ดอกได้ผลมากยิ่งได้พันธุ์พืชที่ดีคือใจที่บริสุทธิ์ยิ่งดีดินไม่ดีแม้ปลูกมากก็ได้น้อยหรือไม่ได้เลยลูกศิษย์ได้กราบเรียนหลวงปู่ว่าทุกวันนี้หนังสือพิมพ์ โโทรทัศน์มักจะมีข้อความหรือภาพที่ไม่เหมาะสมกับเพศบรนทิตมากนักตลอดจนการใช้โทรศัพท์เกรงว่าจะไปรบกวนเวลาปฏิบัติ ธ, ธรรมของพระภิกษุสา ม, มเณรหลวงปู่มีความเห็นอย่างใดหลวงปู่โทรทัศน์หรือโทรโลกเป็นเรื่องของทางโลกเขาทักษิราพียนหลวงปู่ว่าได้ไปฝึกกรรมฐานหลายสำนักได้คาสอนต่างๆมามากมายเช่น การกำหนดลมหายใจการบริกรรมพุทโธการกำหนดอิริยาบถต่างๆในการทำสมาธิแต่วิธีต่างๆเหล่านั้นได้นำมาปฏิบัติแล้วก็มันสงบสักทีขอหลวงปู่ช่วยเมตตาและแนะนำวิธีปฏิบัติให้ง่ายๆว่าทำอย่างใดจึงจะสงบได้หลวงปู่แล้วแต่ชอบเลือกคำบริกรรมให้เหมาะสมกับจริตตนเองและกำหนดลมหายใจเข้าออกตามความสบายของตนเอง ริยาบทก็แล้วแต่จะนั่งเดินยืนหรือนอนก็ได้มีผู้สำเร็จพระอระหันต์นริยาบทนอนก็มีเช่นพระอนนท์เมื่อจิตสงบแล้วก็อย่าติดในิมิตรกรรมฐานต้องมีครูมีปัญหาต้องถามผู้รู้ลูกศิษย์ในขณะที่หลวงปู่อ า, าพาตที่โรงพยาบาลหลวงปู่จะเดินจงกรมวันละหลายรอบโดยใช้ไม้เท้าพยุงไป บางคราวไม่ได้ฉันอาหารสองถึงสามวันเพราะคุณหมอให้งดอาหารบ้างฉันไม่ได้เองบ้านหลวงปู่ก็ยังออกไปเดินจงกรมตามปกติลูกศิษย์จึงกราบเรียนถามหลวงปู่ว่าหลวงปู่ไม่เหนื่อยบ้างหรือหลวงปู่อยากแข็งแรงก็ต้องเดินอยากได้ทำก็ต้องเพียรภาวนาลูกศิษย์เล่นมากราบมรสการเพียกมากรารอาพาธของหลวงปู่และได้ปรารถ กับหลวงปู่ถึงสภาพสังคมในปัจจุบันดูสับสนวุ่นวายเศรษฐกิจไม่ค่อยจะดีข่าวครา ว, าวต่างๆแต่ละวันทำให้ไม่ค่อยสบายใจนักขอหลวงปู่ไดเมตตาแนะนำการนำดวงชีวิตให้อยู่ได้อย่างสงบสุขด้วยหลวงปู่พระเนงก็ต้องบำเพ็ญเพียรภาวนาให้ถึงที่สุดให้มีธรรมบารมีส่วนญาติโยมก็ต้องมีสติมีจริโอตปะ คือไม่ทำบาปทั้งปวงเกรงกลัวต่อผลของบาปนี้เป็นธรรมคุ้มครองโลกนะอย่างเล่นชูที่ถือว่าบาปหนักให้ขยันทรมาหากินประกอบอาชีพสุจริตหาทรัพย์มาแล้วก็รู้จักใช้จ่ายให้พอดีรู้จักเก็บไว้ใช้ยามจำเป็นไม่เอาแต่นั่งนั่งนอนๆไม่ทำอะไรพอไม่มีกินก็เอาสมบัติที่พ่อแม่ให้มาขายกินหรือเรียกว่าขายเงาผู้เท่ากิน ลูกศิษย์หลวงปู่คะการทําบุญในช่วงที่กล่าวคาอุทิศส่วนกุศลนั้นเกิดลืม น, นึกถึงชื่อของญาติผู้ที่ล่วงลับไปแล้วญาติผนั้นจะได้รับส่วนบุญกุศลหรือไม่และคนที่ทําบุญจะได้บุญนั้นหรือไม่หลวงปู่ในสมัยพุทธกาลพวกเปรตได้มาขอส่วนบุญกุศลจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็สอบถามเปรตพวกนั้นว่าไม่มีญาติทาบุญให้หรือเปรพวกนั้นตอบว่า พวกเขาเห็นญาติทาบุญจริงเห็นบุญสนนั้นกองอยู่แต่พวกเขาไม่สามารถรับเอาขอนั้นได้เพราะไม่รู้ว่าเป็นของใครเพราะไม่ได้ระบุชื่อมาส่วนคนที่ทําบุญก็ได้บุญอยู่แล้วแม้ไม่อุทิศให้ตนเองก็ได้แก่ตนเองอยู่แล้วลุกสิษกราบนมัศ ก, การหลวงปู่ว่าการทําบุญกระถินกับทําบุญสังฆทานอย่างไหนได้บุญมากกว่ากันหลวงปู่ บุญกระถิ่นถ้ามีความสมบูรณ์ก็ได้บุญเยอะแต่กระถิ่นที่สมบูรณ์นั้นมีพิธีการยุ่งยากเพราะต้องทําการกรานกระถินคือนําผ้าบางสกุลมากะวัดตัดเย็บและย้อมสีผ้าจีวร น, นั้นตากให้แห้งทุกอย่างต้องทําให้เสร็จในหนึ่งที่วาดเท่านั้นและต้องทําโดยพระพิสุทธสงฆ์ให้คนอื่นทําให้ก็ไม่ได้และต้องให้คณะสงฆ์พิจารณาว่า จะมอบจีวร น, นั้นให้แก่พิสูตรรูปใดพิสูตรที่ได้รับผ้าจีวร น, นั้นก็จะต้องจะละผ้าผื้นเก่าออกแล้วนําผ้าผื้นใหม่มาพิมพุถือเอาเป็นของตนเองพระพิสูตรเหล่านั้นจะกล่าวคําสาธุอนุโมทนาปัจจุบันใช้ผ้าจีวสรสันเด็กรูปไม่ได้ตัดเย็บหรือ ย, ย้อมเองจึงถือว่าไม่ค่อยสมบูรณ์นักอีกอย่างการฉลองกระถิงมีการจัดงานใหญ่โตมีการฆ่าสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ เลี้ยงจุลาอาหารท่านไม่เกิดการทะเลาะกันโตเถียงกันจึงไม่บริสุทธิ์ถือว่าเป็นกระถิบูดการถวายผ้าบางสกุลประเสริฐที่สุดแม้เป็นของเล็กก็ได้บุญมากเพราะทาด้วยใจบริสุทธิ์หลงปู่มั่นท่านไม่รับกระถินเวลาญาติโย ม, มาท่านก็จะถามว่ามาทำอะไรถ้ามาทำบุญก็จะให้พรเลยท่านนิยมรับผ้าบางสกุล ลูกศิษย์ถ้าวัดไหนไม่ได้รับกรถินพระภิกษุวัดนั้นก็ไม่ได้รับอนิสงค์ของการกรถินใช่หรือไม่หลุงปู่ไม่เป็นไรเพราะท่านก็รักษาศีลก็อนิสงค์ของผลที่ทําอยู่แล้วลูกศิษย์ลุงปู่ครับที่บริษัททําอะไรมักจะครุขุขลักๆลักอยู่เสมอเป็นไปได้ไหมว่าได้ที่เจ้าทางหรือสัมภเวสีคอยขัดขวาง เขาไม่ได้มาปรากฏให้เห็นหรอกครับเขามาเพื่ออะไรเป็นมิจฉาไหมปกติผมจะแผ่เมตตาให้เขาทุกคืนหลวงปู่ดีเจริญเมตตาให้เขาน่ยดีมีเมตตาใจเราก็เย็นลงมีอานิสงส์เยอะเมตตาสุตังสุขขังสุขคติตื่นอยู่ก็เป็นสุขหลับอยู่ก็เป็นสุขมนุษย์หรืออมนุษย์ก็ไม่เบีเยดเบียนให้ฝันร้าย ไม่มีใครมาข่ามาแกงปืนไฟก็ไม่ไหม้จิตก็สงบเทวดารักษาจิตไม่แหลหลงจิตผ่องใสตุลาตายจิตสงบได้ไปเกิดในสวรรค์ลูกศิษย์หลวงปู่ได้เมตตาเล่าให้ลูกศิษย์ฟังตอนหนึ่งว่าขณะที่หลวงปู่พักที่วัดสปะปทุมตอนเด็กหลวงปู่ได้ลงไปเดินจงกรมภายในบริเวณลานวัดแล้วกลับไปนั่งสมาธิ ที่ได้ต้นไม้อยู่ข้างกำแพงวัดซึ่งข้างนอกวัดมีรถยนต์วิ่งทุกพ่านตลอดคืนลูกศิษย์จึงกราวเปลียนถามหลวงปู่ว่าหลวงปู่ไม่ราคาญเสียงรถยนต์หรือหลวงปู่รถอุมรถเราเป็นเราไม่เกี่ยวข้องกันไม่ฟังก็ไม่ได้ยินลูกศิษย์กราวเปลี่ยนถามหลวงปู่ถึงอุบายที่จะนั่งสมาธิภาวนาแล้วไม่ให้เปิดความหลง หลวงปู่ทาให้มันรู้ภาวนาพุโทโธหรือบริกรรมอันใดอันหนึ่งพยายามตั้งสติอยู่อย่างนั้นพูดนานไปมันก็ไม่ลืมต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาเหมือนคนเขารักกันนั่นแหละที่แรกคุยกันไปคุยกันมาเห็นหน้ากันเรื่อยๆก็รักกันทีนี้ไม่เจอกันเหมือนกับจะตายอันนี้เหมือนเราภาวนาไปเกิดความพอใจ ทำไปเรื่อยๆสติก็เกิดความชํานานความสุขจะปรากฏขึ้นมีความสงบยิ่งสบายนอนสบายนั่งสบายอารมณ์ทั้งหลายไมมารบ ก, กวนเมื่อจเจริญขึ้นไปอีกมันจะเกิดความรู้เป็นอุปจาระรู้นั่นรู้นี่เกิดคุนอุปการเห็นโลกคนโลกผีเห็นไปตามวิสัยของอันนี้ไม่เที่ยงมีโอกาสหลง ถ้าไม่มีครูอาจารย์บางคนบ้าก็มีถ้าเชื่อว่า น, นิมิตที่ตนเห็นเป็นของจริงอยากปวดอยากพูดไม่หยุดไม่ถอยเดี๋ยวก็เสื่อมเขาว่าเขาเหาะได้ก็มีขึ้นไปบรรยากาศนูนบางคนค้างที่บนต้นไม้พอช้าก็เอาลงมาครูอาจารย์สอนไว้ทำอย่างนี้มันผิดเห็นอะไรให้รู้อยู่อย่าไปหลงตามสิ่งนั้นบางคนเห็นร่างกายปูพังเน่าเปื่อยลงไปเห็นถึงกระดูก อันนี้ถูกต้องทำไปเรื่อยๆจะได้ชำนาญเหมือนเรียนหนังสือเรียนได้นิดหน่อยก็หยุดเดือนหนึ่งจะกลับมาเรียนมันก็ลืมเสียมันทำไม่ได้จะเกิดความท้อถอยต้องถอยกลับมาเริ่มต้นใหม่ต้องมีสติสติเป็นของสำคัญสติเป็นวินยัยเมื่อมีสติก็ไม่กล้าทำผิดและไม่หลงลูกศิษย์รู้อยากรู้วิธี ท, ท, ทาสมาธิอย่างง่าย เพื่อที่จะได้นั่งสมาธิเป็นจะได้สมาธิในการทำงานต่อไปลุงปู่การทำสมาธิต้องมีความตั้งใจก่อนอื่นต้องกล่าวนโมสามจบแล้วสวดอรหังสัมมาสัมพุทโธพัควาไปจนถึงสังขังเสร็จแล้วให้นั่งขัดสมาธินั่งนิ่งตัวตรงและลึกคำว่าพุทโธพุทโธไปเรื่อยเรื่อนานขึ้นไปเรื่อยเรื่อย ทำทุกวันจนกว่าจิตใจจะสงบลงอย่าิตฟุ้งซ่านคือสามารถกำหนดเป็นสมาธิได้ก็เข้าสมาธิได้ไวไม่ว่าจะนั่งหรือนอนหรือทำงานคราวนี้มันก็จะมีประโยชน์จากการทำสมาธิในการทำงานนั่นเองให้ทำเรื่อยๆจนชำนาญทำได้ไหมหากเมื่อชำนาญแล้วต่อไปจะเห็นนิมิตต่างๆตรงนี้อย่าไปสนใจหรือติดในนิมิตให้พิจารณาสังขาร จะได้ไม่ติดนิมิตการทำให้เป็นสมาธินั้นให้ทำทุกวันทำได้ทุกสถานที่ถ้าจำนานแล้วก็จะดีตั้งใจนะประวัติและความเป็นมาขององค์ุปผัผงปริปุนโนสิยานุสิทธิ์ทั้งที่เป็นบนรรพชิตคราวาดและญาติโยม ได้รับรู้รับทราบอุปนิสัยของลุงปู่ว่าท่านเป็นพระสงฆ์ที่พูดน้อยสันโดดไม่เคยเลยที่จะเปิดเผยชีวประวัติของท่านเองให้ใครที่ไหนได้รับทราบมาก่อนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่เป็นสาธรรมิตรหรือคารวะญาติโยมทั้งหลายสิทธยาณุสิทธ์ได้ขอโอกาสให้ลุงปู่เล่าชีวประวัติของลุปู่เองให้ฟังหลายครั้งหลายคราด้วยกันลุงปู่จะบอกทุกครั้งว่าจะรู้ไปทําไม รู้แล้วได้ประโยชน์อะไรและให้ดูประวัติของตนเองว่าดีแล้วหรือยังฉะนั้นจึงไม่เคยมีประวัติคนลูก ป, ปรากฏณนะที่ใดมาก่อนไม่ว่าจะเป็นนิตยาสารหรือหนังสือเกี่ยวกับชีวประวัติครูบาอาจารย์เล่มใดก็ตามนอกจากหนังสือชีวประวัติคนลูกเล่ม น, นี้และก็เป็นเล่มแรกที่คณะจิติญญาณศิสิกได้มีโอกาสจาัดรวบรวมพิมพ์ขึ้นมาหลังจากรูกปู่ ได้ละสังขารไปแล้วในระหว่างที่หลวงปู่ได้มีการอ า, าพาธหนักช่วงสุดท้ายของท่านหลวงปู่ได้เมตตาเล่าชีวประวัติภายใต้ร่มกาสาวพัดของท่านให้ลูกศิษย์ใกล้ชิดได้รับฟังก็ได้เล่าถึงแนวทางการปฏิบัติในการแสวงหาอัฏฐธรรมและประวัติโค้ชงปู่ในสมัยที่ท่านได้ทุ ด, ดงไปตามสถานที่ต่างๆก็ได้ศึกษาวิธีการปฏิบัติจากครูบาอาจารย์หลายองค์ เช่นหลวงปู่มั่นภูริทัตโตหลวงปู่เทศเทพดำสีหลวงปู่ทรมจิระปุญโยหลวงปู่ชอบฐานะจโมหลวงปู่แหวนสจิโนหลวงปู่ขาวอนารโยเป็นต้นแต่เนื่องจากอาการอาพาธของหลวงปู่เริ่มแสดงอาการว่าจะทวีความรุนแรงขึ้นทุกวันเวลาดังนั้นรายละเอียดชีวประวัติคนปู่จึงไม่ค่อยได้รายละเอียดจากหลวปู่มากนัก และชีวประวัติบางส่วนอาจจะยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรตามสภาพความเป็นจริงหรืออาจคล้ายเคลื่อนไปหากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านใดที่ได้ร่วมสมัยกับหลวงปู่ในการแสวงหาอาจหาธรรมได้อ่านและโปรดเมตตาคำแนะนำและแก้ไขเพิ่มเติมจะเกิดเป็นชีวประวัติสมบูรณ์อย่างยิ่งให้ขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท ท, ท, ท่านที่เมตตาบ่า จะจัดทาชีวประวัติของหลวงปู่ก็อนุโมธนาไมตายคำแนะนำให้กำลังใจและต้นเขาเหตุการณ์บางตอนซึ่งยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรฉะนั้นหากมีความผิดพลาดประการใดที่เกิดขึ้นในหนังสือเล่ม น, นี้ผู้รีเรียงกราบขออโหสิกรรมจากองค์ลงปู่และขอน้อมรับความผิดพลาดทั้งหลายเหล่านั้นส่วนธรรมทั้งหลายเหล่าใดที่ดีมีประโยชน์ ขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและขอน้อมถวายบูชาแด่องค์หปูผ่ผางปริพุนโนด้วยความเคารพ บ, บูชาอย่างสูงวิ่งและจิตญาณุสิทธิทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทําชีวประวัติในครั้งนี้จงประสบความสุขความเจริญความก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปทั้งในทางโลกและทางธรรม สิยานสุสิษ์สิงหาคม2548ส